รัาทำมเพศนาของท่านหลวงตานลวงศักดขิขีนาเรัย น, นต่อการพิจารณาอสุภกะกรรมฐานและมรณานุสิติโดยนั้นมันยังมันยังไม่ทันมันยัก็ได้ตรกไหมนะส่วน น, วนั้นได้แต่ยังไม่ทันเวลาไม่ทันที่เราจะตายก่อนที่จะคงป่อยว่ามันไม่ทัน คุณ่เช็คก็แค่อย่างที่ที่ที่เราเล่าเรื่องการที่นายพลนาลุตเตียสุภาพกรรมฐานแยกแยกร่างกายเกิดเองเออฮก็งเต้องทำที่ออกมาต้อน้อมต้องน้อมแลก็อันนั้นจะอยู่มันดมันรู้เองหนอใช่แต่ทีนี้ทำไมในในการปฏิบัติเองที่ทำไ ทมุนนัสมาธิรู้สึกตัวการหลุดใจได้แล้วก็น้อมแล้วน้อม้วยพอใจสงบแล้วพอใจพอตัวขัดใจอยู่ด้กันแล้วก็น้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมเห็นให้เห็นความจริงของความไม่เที้ยงของสังขารที่อธิบายอธิบายไปอ่ะให้เห็นความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายที่สุดเยอดไปสูความพัดผ่ากันทั้งหมดเราจะได้มี ใจมันจะคลายจากความหลงยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนและหลงยึดมั่นถือมั่นในคนอื่นเราก็ต้องน้อมเพื่อนี้ให้มันสิ้นความให้ใจมัคลายแก่ความหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราแล้วก็หลงว่าตัวเราไปยึดคนอื่นเราละพังแต่เราไปไปดูแต่เท่นั้นมันไม่มันไม่มันไม่คงไปวังมันไกลไปนั่นค่คือเหมือนบางครั้มันหลงไปยึด นี่ตัวตนเราไม่พอใจภายนอกหรือว่าเิ่งติดใจหรือมตัวอะไรมาปั่นเราไม่รู้ตักแต่เมื่อเราเรารู้ตัวมันคือมันก็ก่อนเอง่รู้ก็รู้ไม่รู้แต่บางครั้งรู้แล้วมันก็จะจะจะเป็นอาการงวดของเราเองแต่บางครั้งพอรู้แล้วเนี่ยมันจะมีย้อนข้ามา่ต้นตอที่จิตแบบนั้นได้นะมันเหมือนว่าขึ้นวนกมับเข้าก่อน มันอธิบายไ่ถูกแตความรู้สึกของเราคืว่าความรู้สึกรอนก็ไปที่ตี่จุดกาเนิดพลังานความรู้สึกนะจุดกาเนิดในคอิจุดกเนิดความเหน่นะครับอย่างนันเราจะไปเราจะเพ่งในเราจะเอาไอ้ความรู้สึกของเราไปเพ่งใส่ตรันมันจะเอาความรู้สึกของเราไปเพ่งใส่มันจะตื้อ งั้นคือทำไมไม่รู้ทำไมไ่รู้ไม่รู้เราก็คือเห็นในความรู้สึกในคิดอารมณ์เกิดขึ้นเราไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นเห็นมันขันห้าตัวเราไม่มีร่างกายเป็นขันห้าความรู้สึกในคิดอารมณ์เป็นขันห้าตัวเราไม่มีมันมีความรู้สึกในคิดอารมณ์ภาษาทุกข์มันมีความรู้สึกในคิดอารมณ์อย่างไรก็ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องมีใครจะเจ้งอะไรเป็นแค่กับว่า ไอ้ร่างกายเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นขันห้าหรือประขันแล้ว้น้ำมาขันคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรมันมีอยู่อย่างไรไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของเราที่เราเป็นนายเห็นว่ามันเป็นมันเป็นขันห้าก็ได้เราเห็นว่าไอ้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นขันห้ามันเป็นมีแต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้าตัวตนของเราไม่มี ตัวเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยตายไปแล้วมีแต่ขันห้าที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวเราเหมือนกับตัวเราเนะี่ยตายไปแล้วที่เราที่จะเป็นตัวเรามันตายไปแล้วเราไม่มีมีแต่ขันห้าที่แสดงสริยาการแต่ไม่มีใครไปยึดมันม่นสือมั่นพงศ์เมตติกริยาการที่ดับไปแต่การจะเข้าถึงบัญญานี้ต้องคนที่เป็นญาจริงๆนะขริงมันมันเข้าไม่ถึงเ ร, เราพูดอย่างนี้แล้วดูแล้วเข้าไม่ถึง ทำไมงั้นก็ต้องพิจารณาพิจารณาอย่างไงเอ่ยคือมันเอาตัวเราเปเต้ น, น อ, ยอย่างเอาตัวเราไปจ่เงี้มันคือเอาตัวเราทั้งตัวเลยเป็นคนตึกเลยมันไม่ไม่สามารถไม่เห็นไม่ตัวตึกไม่ใช่ตัวเรามันแค่ตรงนี้ที่เราต้องการแต่มันกลับรับไม่ได้จิ แต่เนี้ยไม่ใช่มันมันไม่เห็นนี้ไม่ได้มันต้องพิจารณาว่าตลอดเวลาว่าไอ้ตัวเราผู้คนเนี่ยที่กำลังตั้งใจจะฟังเราแล้วก็ตึกตามหมายถึงว่าอาการในขีดนะนะที่ที่ฟังเราก็ตึกตามไอ้กิริยาการที่มันตัวเราที่นั่งฟังแล้วก็จ้องแล้วก็ตึกตามอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเรา เราจะเห็นยังไงเว้ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเออมันไม่มันไม่เห็นมันเปนไม่เป็นตัวเราแต่ตัวเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนตึกถ้าอย่างนั้นก็ต้องแยกแยกร่างกายเราออกไปแยกออกเป็นจิ้นส่วนเหมือนนี่เขาเขาก็ถอดอะไหล่รถเจียนโกงอะ่ะเอาแยกให้มันเหมือนกับก็ถอดอะไหล่รถเจียนโกงออกไปให้ไอเป็นผมออกไปห่อออกไปทิ้งกว้างออกไปเลย เล็บผอดออกไปคนไม่มีเล็บเป็นอย่างนีหรือเหมือนตัวเราไม่มีเล็บฟันผอดฟันออกไปหนังลอกหนังออกไปเอาลูกตาเอาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอาเอาเอกไปออกไปออกไปเอาเอาผิวหนังออกไปเหลือแต่เนื้อกระแลเนื้อออกไปโยนทิ้งออกไปเหลืวโครงกระดูกกับอะไรภายในแล้วก็เอาอะไรภายในโยนออกไปอันนั้นโยนออกไปก็ให้เน่าเปื่อยสลายไปหมดโยนดูแจากล่างมาเน่าเลยหรือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็เอาไปเผาให้เป็นกี่้าวุูรีให้หมด แล้วก็หาดูที่ว่าตัวตนมีจริงอยู่ตรงไหนหรือไม่ั้นทํานถ า, ถาอย่างนี้ไม่เป็นก็น้อมเอาว่าเป็นงานศพเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะเมื่อตัวเราเนี่ยที่กลุมก็ต้องเป็นเหมือนคนที่เราไปงานศพเนีะพอตายแล้วมันก็พอก็เปิดโลงให้ญาติพี่น้องอามาดูก่อนที่จะเข้าเตาเผาเนี่ยมันก็เน่าคืดหมนเลยไม่มีใคยากเข้าไปสไปดูในโลงมันเป็นเน่าเขียวหมือดลิ้นจุก ป, ปากตาถัล้น บางีก็หลับผิวก็จริงแต่มันซีดขาวเ ข, ขียวไปหมดแล้วเน่าเอาต้มดีอุจจุมูกไว้ไม่น้ําเหลืองไหลออกมาพอเปิดโลงก็ไม่ีใครก็อยากดูหรอกเสร็จ แ, แล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปไปไปไ ป, ไปใส่เตาเผาเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันไฟกับลุกโชนเผาเราอยู่อย่างนั้นเนี่ก็เผาเราอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรารู้สึกว่าเราถูกเผาจริงๆตายแล้วถูกเผาจริงๆเราก็นึกน้อมอย่างนี้เนี่ยโยกตะบันเผาเราเจิมกระทังหมดติ้นไปเป็นที่เท้ากุลี เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทิศเท่าธุลีจริงๆคือรู้สึกนิยนาอย่างเงี้น้อมอย่างเงี้ยจนกระทั่งรู้สึกเป็นความจริงจริง ๆ, งๆทุกขั้นตอนว่าเนี่ยเราถูกเผาเราถูกเผาจริงๆไฟลุกโชนไหมตัวเราตลอดเวลาเนี้ยเราก็ปล่อยให้ไหมยอยู่อย่างเงั้นแน่จนความแจ่กไฟยุบไปไฟไหม้จนกระทั่งยุบไปยุบไปยุบไ ป, ไปจนกระทั่งมันไฟไหมแล้วดับหมดก็เป็นทิศเท่าธุลีไป ไม่่เดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินแตะว่าจิตตื่นจะเป็นหลับตานะหลับตาจะเป็นความหลงให้เดินในแตะว่าจิตตื่นเนี่ยเดินพิญานั่งกับพิจาณั่งแต่ว่าหลับตาเข้าน้ำนั่งซ่วมอยู่กับพิจารณาทำอะไรอยู่กับพิจาณาคือกายทําอะไรอยู่แต่ใจก็พิจารณาแต่อย่างเนี้ยพิญานาคือกายทําหะไรกายจะทําอะไรใจก็พิจาณากายทำอะไรใจก็พิญานาพอพอพอพอพอมันไม่ไอ้กายกระจายมัอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไม่หนุดเลยย่อมเลย เราก็พิจารณานะต่นี้ถ้าเราพีจนาอย่างงี้นะพี่นาเพื่อให้มันไม่มีตัวตนให้เราไม่มีตัวมีตัวไม่มีตัวตนของเราเราไปนึกเอาหมดที hey, floor, sí. <stellung> ่สุดเราไปนึกว okay, <men> ่าเราไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเรนึกมันไม่เป็นจริงไจเราตั้งน้องพี่นาว่าตัวเราร่างกายเราเนี่ยให้มันเป็นยังไงสภาพความจริงเป็นยังไงค่อยๆแก่ค่อยๆเจ็บค่อยๆตาย เราก็คนไปเราไปีไปงานกพเป็นงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นคนตายมันเยอะเราก็มานึกน้องมาตัวเราที่ตื่นเคองมีสภาพเป็นความตายอย่างแน่นแนตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงตายแล้วก็เอาไปเผาเผาแล้วมีสภาพเป็นยังไงเราเวลาเรานึกเนีนึกมันจะช้าเวลาเราตายเวลาคนอื่นตายมอนเป็นการภาสมาอนิจจาวัตสังฆาราอุปาเดวายะสามีโนปตะวานีิพพันตีเตสังบุปสะมรตุโข แล้วก็เราก็เอาผ้าบาร์สกุลมาวางบนตัวเราแล้วก็ให้ผ้าพระมาชักผ้าบาร์สกุลไปตัวเราก็ไม่รู้ัวแนละ้วมันธาดลงในใจมันไปแนละ้วธาดไปก็ไปแล้วหรือจะตัวมันแข็งตัวเย็นชื้นรู้มันแข็งทั้งหมดแนละ้วเพราะธาดลงลงไปแล้วธาดไปก็ไปแล้วธาดวิญญาณหรือธาดรู้ที่เป็นความว่างกับไปจากแนละ มันอหลือธาดินกับธาตุน้ํามันก็เริ่มเริ่มเขียวเริ่มเน่าเริ่มอืดเขาบอกว่าเอามาทอดผ่าตัวเราต้องทอดผ่าเวลาเราน้อมเนี่ยต้องมีความรู้สึกจริงๆให้เกิดขึ้นจริงอย่างนั้นเราไมต้องหลับตาเมื่อกี้หนูตาพูดว่าถ้ามีอามันจะไม่เข้าถึงใจใชไหมไม่ใช่นี่ใช่นหมแต่ว่าถ้าเราเป็นป น, นิสแค่เราอาบน้ําแล้วเราตัวร่างกายสมบ อ, อะไรเนี้ยมันมันยังมันหางมันยังหางเพราะว่ามันยังแค่ มันแย้ๆเพ so so <Okay. S 2> ิ่เราก็ไปเรื่องอือมันก็แค่ว่าเราไปเห็นแล้วอาบน้ำแล้วตัวเราสกปรกก็ไม่ได้อาบน้ําตัวเราก็เอ่อมันก็สกปรกอาบแล้วก็สะอาดสะอาดแล้วก็สกปรกอะไรนั่นก็แย้ๆเยอแต่ทั้งวันเราก็ไม่ด้พิจารหรือว่าเราหรืว่าร่างกายหรืหนังนั่นมันไม่เที่ยงที่ก็บอกว่านําตัวก็แตกเลยหนังทุกตัวแตกไม่เที่ยงอะไรเนี้ยแต่ความจริงแล้วก็แย้เกินนั้นแหนแล้วเราก็ทั้งวันเราก็ไม่ด้พิจาร เราไม่พิจารณาตัวเนี้ยมันเราเราเสียโอกาสเสมากเพราะว่าหลายปีผ่านมาแล้วเราก็ร่างกายเราก็ไม่โชคดีอย่างไม่ตายไปถ้าเราตายไปเราก็หมดโอกาสที่จะรู้จะเห็นเข้าใจเราไม่ตายยังไม่โชคดีที่รายังไม่ตายได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วในพอเราไม่พิจารณาเนี่ยความเป็จริงมันยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่ชีวิตเราทุกคนเนี่ยเรานั่งเหมือนพวกเราทั้งหลายที่นั่นบนเสือเนี่ยเรานั่งบนเสือเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่กันที่ แต่ความเป็จริงถ้าเราเคยไปที่สนามบินเวลาเราไปสนามบินเราเข้าไปข้างในเวลาคนที่เกียร์เดินเดินไม่ไหวเขาก็ระเป๋ากระเป๋าเดินทางตัวเราเนี่ยไปยืนบนสายพานใช่ไหมสายพานก็ไหลไปเรื่อยมันไหลพ า, าเราไปที่ขึ้นไปขึ้นเครื่องบินครับแต่คนที่เขาเดินเร็วๆเขาก็เขาเกียร์รอสายพานก็เดินไปแต่คนคนจำนวนมากร่ากกายแก่แล้วก็ยืนบนสายพาน แต่เขาอยู่นิ่งๆนะแต่สายพานมันนิ่งมันพาเข้าไหลไปขึ้นคอมพิวเตอร์แต่ตัวเขาอยู่นิ่งๆบนสายพานพวกเราเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่นี่เราเลือกว่าเรานั่นอยู่นิ่งๆบนเสือที่อยู่นิ่งๆแต่เรามาพิจารณาดูนะโลกนีไม่เคยหยุดโลกไม่เคยหยุดมุนเลย เื่อนี้ยมันวางอยู่บนผิวโลกและโลกก็ยังไม่เคยหยุมันบุญพาเราไปไหนไปสู่ความตายทุกคนเลยไม่มีใครรอดคนไม่ว่าชาติศาสนาใดทุกคนเนี่ยเรานั่งอยู่ผิวโลกหรือว่านั่งอยู่บนอะไรเราไม่แส้นั่งอยู่นิ่งๆแล้วเพราะ เ, ออเสือ่อหรือบ้านที่เรานั่งหรืโรถที่เราขับ มันก็หมุนผิวโลกโลกก็หมุนไปแล้วก็มุนพาเราไปสู่ความแตกต่างกันทุกคนคือความษาทุกชาติศาสนาเพราะทังที่เราหมุนไปสู่อย่างนั้นตลอดเวลาและบางท่านหลายท่านก็ได้รับการเชิญให้ไปงานศพเป็นงานเผาศพคนหน้าคนหลางบางครั้งคนคนนั้นก็อาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นอากมามากเป็นพ่อแม่เป็นลุงป้า น, น้าอาพี่น้อง เป็นลูกหลานของเราได้ทาไปแต่เราเ็ไม่ค่อยดีคิดว่าที่สุดคนต่อไปถ้าเป็นเราเราก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนอ้อยู่ในคนเราไม่มีทางมีอย่างนี้ไปหน้าสภาพแบบนี้ก็พอแก่เราเหมากกือนกันเราก็น้องอย่างเงี้ยถึงความจริงๆอย่างเงี้ยไม่ว่าการจะทําอะไรไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำดนนเดินกินเดินทางไปไหนมาไหนใจก็นน้องพี่นา้อ น, น้าดีกว่ากน น้อมให้มันรากฏเป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นจริงในใจเราไม่ได้แต่คิดเอาน้อมว่าเราเป็นอย่างนี้รางกายเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นรโนภาะที่เกิดขึ้นจริงในใจเราไม่ใช่ต้องหลับตานะมันน้อมในขณะที่เรานั่งทํางานนี่แหลในขณะที่เราขับรถในขณะที่เรานันาน่งล่วงในขณะที่ทําอะไร <S <S ๆๆนะี่แเราน้อมแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจริงๆเราต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วว่าเราตายแล้วเราก็ต้องไปคนอื่นทั้งหลายเนี่ยพอไปออกมาจากห้องดับจิตเนี่ย มันก็เขียวไวยหมดทุกคนเลยลเลตอนนั้นรับศพมาจาห้องธุรกิจรับมาแล้วก็เอามาผ้าเอาผ้านเหลืองก็เป็นผ้าเอาผ้าเหลืองกุ้งเป็นภาภาคาราวานก็เอาผ้าขาวกุาาก้แต่ตัวมันแข็งแล้วก็พยายามหักมือหักแขนเราออกมาจากนอกผ้าเพื่อคนทั้งหลายงานรถงานศพเราลดน้ําเราตอนมีชีวิตอยู่เรากอบโอยทุกอย่างเราพยายามกอดไว้ทุกอย่างจะเอาทุกอย่าง กูจะเอากูจะเอากูจะเอาแต่ตายแล้วตก็แบมมันออกทุกอย่างเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่น้ําสดที่ก็มาลดน้ำโดยฝั่งโดยล้งเราก็เอาไปไม่ได้เราจะกอบโกยเท่าไหร่ก็ตามมีเท่าไหร่ก็ตามเราต้อพัดพลาดจากครอบครัวไปพัดพลาดจากจุดตัดพระสถานไปพัดพลาดจากตำแหน่งเราเยอะสะสมัไปทั้งหมดทั้งปิ้น และทีพัดพาจากตัวเรากันด้วยเราต้องพัดพาจากตัวเราไปด้วยพัดพาจากความรู้สึกในคิดอารมณ์ไปด้วยเราต้องพัดพาจากขันห้านี้ัยคือความรู้สึกในคิดอารมณ์เราก็น้อนอย่างเงี้ยนอนซัำๆๆๆทุกอย่างจะมดงทีเราน้อนนอนซ้ำอย่างเงี้ยจิตมันก็เบื่อในการน้อนเราก็เปลี่ยนแง่มันแต่ก็ไม่ลดมันก็ไม่ค้นจากความความกิริยาราชธรรมจริงที่ไม่เที่ยง ความเสือ่อมความแก่ความเจ็ดความตายความผูกพันสลายเกิดแล้วก็ต้อตายพบกันแล้วก็เกิดพัดผ้ามีเพื่ออยากก็เพื่อนจากไปการเกิดมาก็เพื่อตายจะแท้ไม่มีอาชีพที่จะหนีจากอันนี้ไปแต่ความจริงอันี้ได้พบกันทั้งหมดก็เพื่อก็พัดผ้าไม่พัดผ้าก็อย่าพบกันพบกันก็ต้องพัดผ้ามีทุกอย่าง ก, ก็เพื่อนจากไปที่สุดมาหรือาป ก็จากต่างมีบาทเป็นเจ้ามาไม่ได้เอาอะไรใจทุกอย่างใจที่มีความโลภโมโหสารในความติดนั้นติดๆอย่างมันก็จะวางหมดเหลือแต่ความสงบร่มเยนแต่ความสงบร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเราก็น้อมอีกน้อมถึงกับจะทําความจริงอย่างนี้ไม่หยุดเลยไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็น้อมอจนเป็นความรู้สึกจริงๆที่มันเกิดขึ้นจากใจเราจริงๆ ที่สุดแล้วเราก็ต้องถูกขึ้นศดเราก็ต้องอืออ้อมขึ้นไปวางวันเมรแล้วเขาก็นิมนต์พระมาชักบ้างข้าบางกุณอาญิจาวันตังค้าอุปากัยยาธรรมนินโนอุปตวานิโรจนท์ทิเอสังุภักโมสโุโกพระเขาสอนเราบอกว่า สังขารทั้งหลายทั้งร่างกายจิตใจทั้งตัวเราและผู้อื่นในโลกนี้ทั้งหมดทุกสัตว์ติงที่เป็นสังขารในโลกนี้ทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงอุปเดวยะธรรมในโนตัตถวานเดชนิสเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาเตสังหุปัสมโสดโคผู้ด้นักตั้สังขารจะได้ ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่เงเตะสังขารผู้ได้ดับสังขารก็ได้ผู้นั้นจปถึ ง, งขึ้นความสุขอย่างยิงดับสังขารนันแน่เลยดับสังขารตรุงแตงที่เข้าไปยึดมันม่นคือมั่นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ยิดโลกจิตหลานซึ่งเป็นทุกข์ในโลกความทุกข์ในโลกไม่มีอะไรเกินกว่าการทึล ก, กเป็นทุกข์ในโลกความทุก อันดับสองก็คือความยึดสามีภรรยาเป็นทุกข์ในความยึดอันดับสามคือยึดตำแหน่งลาบยึดบ้านยึดรัยึดบ้านยึดสมบัติพรสถานเป็นความทุกข์อันดับสามมนุษย์และเทพเจ้าปาอินทรีย์โยมจักษตต์นาพุทธศาสนาทั้งหลายก็ทนทั้งหลายที่ยังเบียดบายตายเกิดเพราะมีความยึดในสามสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่ จึงทำให้ต้องเวียนทุกเวียนเศร้าโศกทุกยากลำบากทำตาไหลออกจากตาไปทุกภพทุกชาติเฉพาะความยึดในสามสิ่งนี้ลูกเหมือนหวงผูกคอคือยึดไว้เหมือนหวงผูกใจสามีภรรยาเหมือนปอผูกสอบหรือยึดไว้มัดไปขึ้แจกมือไว้ยึดามาจ่องสมบัติพสถานเหมือนกรอบผูกเท้าเหมือนถุกสามพิพาสาตีส่วนๆไหม หวงสามห่วงที่ยึดไว้ชื่อว่าห่าวงห่วงนี่ยมันยิดใจเรามันไม่ใช่ยึดที่คอที่มือที่เท้าแค่เพียวแต่มันยึดมาถึงใจมันแก้ไม่ได้มันจึงทําให้เบียไว้ายตาเกิดอยู่ในภพทั้งสามให้เป็นทุกข์จเร้าเสียใจขับแค้นใจั้ำตาไหลเนืองนองโดยท้องทะเลมหาสมุทรมาหลาพบไหลชามารวมกันชาน้ำตาปรวกอความทุกข์พล้องลให้กับความทุกข์ถ้าน้ําต า, ม า, ตามไม่เกิดแห้งไปมันจะมากกว่าน้าทะเลเพราะมหาสมุทร ความทูกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะปวดสามห่ว ง, วงนี่แะผู้ใดตัดห่วงสามห่วงหลุจากใจได้ผู้นั้นจะพ้นจากโลกทางสามได้วันเราก็พิจารณาเราจะตัดจากปวดของสามนี้ได้เหี้ยมไรเขต้องพิจารณาที่ตัวเราเนี่ยและผู้อื่นก็เป็นสำคาญที่มิเที่ยงในการตัดสินแต่มื่ใสปพิจารณาแต่คนอื่นแต่ตัวเราไม่พิจารณามันก็จะมีว่าเราเนี่ย เป็นอมะตะคงอยู่แต่คนอื่นจะตายมาจากโลกนี้เคยมีคนพิจารณาแบบนี้พิจารณาให้คนอื่นตายหมดแต่ตัวเองอยู่และพิจารณาไปก็ร้องไห้ไป ส, สุท้าสติวิปลาสเขาก็มาตามเราไปว่าอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่รักจะต้องตายจากไปหมดแต่ตัวเองไม่ถึงแก่ความตายที่หน่ใจแต่คนที่เรารักจะต้องตายจากไปหมดพิจารณาแล้วสติวิปลาสเลยร้องหยร้องไห้เราต้องไปแก้ทางไห้ เราพิจารณาสำคัญที่สุดคือพิจารณาตัวเราให้มากมากถ้าเป็นของไม่เที่ยงคนอื่นจะเทียงมาเปรียบเทียบว่าเขาก็ต้องจากไปเขาก็ต้องหน้าตื่นปุกควสลายไปสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความเสื่อมเป็นธรรมดาความดับไปเป็นพิเศษไม่ว่าอะไรทุกสิส่งไม่ว่าเราจะมีสมบัติบ้านช่องสมบัติประสถาทตึกรามบ้านช่องอย่างไรความเสื่อมที่จะไม่เกิดขึ้นไม่มีบ้านสาร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มเก่านับแต่วันที่เราสร้างรถที่เราซื้อมาใหม่ วันแรกขึ้นมาใหม่ไม่ช้าก็กลายเป็นวันเก่าแนละ้วทุกสรรพสิ่งในโลกถ้าเป็นสิ่งใดก็ตามก่เกิดคุณแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีมาแต่เดิมยอดเสื่อมไปผุพังสลายไฟมีความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไฟเป็นธรรมดาและมีความดับไปในที่สุด น, นี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีใครหลีกหนีพ้นเรื่องนี้ได้เราก็พิจารณาเข้าใจเกี่วามบเป็นจิตหรืกฎธรรมชาติใจรักอันเนี้ย อนิจจังทุกสอังขอตนาว่าทุกสรพสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนสั่์สิ่งของใดๆทั้งหมดเมื่อมีการก่อสร้างมีการปุงแต่งมีการสร้างขึ้นมามีการประดิษฐ์ขึ้นมาล้วนตกอยู่ใต้กฎแห่งความเสือ่อมแล้วก็มีความดับไปในที่สุดเมืม่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาต่อหาตัวเราอย่างเนี้ยเราที่สุดก็ไปสูกความแก่ความเจ็บความตายความดับสลายเป็นกี่เท่าทุรีเป็นหมด แล้วก็สิ้นความเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็นึกน้อมความจริงแบบนี้ทสัติสิ่งตั้งตัวเราแล้วุกสติสิ่งตั้งคนใกล้เคียงเราทั้งลกูกทั้งสามีทั้งภรรยาที่สุดพ่อแม่พี่น้องค็เลื่อนแต่ตายจากเราก็นึกน้อมแบบนี้ดูสิว่าไม่ว่าจะร่ํารวยขนาดไหนมีเงินแสนล้านล้านแสนล้า น, น, านมีทรัพย์สมบัติขนาดไหน เราทุกคนลองพิจนารณาให้ดีไม่ว่าเราจะมีตาแหน่งทราบยศขนาดไหนลองพิจนารณาให้ดีว่าคนที่เราเห็นหน้าคนที่เราลักในโลกนี้คนที่เราเกลียดจังในโลกนี้ <c oughs> เขาเหล่านั้นทยอยหายไปจากโลกนี้ละกี่คนปู่ย่าตายายทวดอาผมอามาลุงป้าหน้าอาค่อยๆทยอยล้มหายใจจากไปจากโลกนี้หมดสิ้น กี่คนแล้วที่เรารู้จักรวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่เรารู้จักเพื่อนฝูงก็ไปค่อยๆล่มหายใจจากเรือยางายไปจากโลกนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่สท่าพี่นายดีว่าแต่ละคนเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่กอบโกยล้ ว, วแต่ความรักล้วนแต่มีความทุกข์กับลูกทุกข์กับหลานทุกข์กับตัวเองทุกข์กับพ่อทุกข์กับสมบัติภาพสถานทุกข์กับสามีภรรยา ทุกกับการยิ่งโดนแสวงหาสมบัติมาตรฐานเงินทองกาะโอนมากมายเราเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละท่านนั้นน่ะชีวิตที่มีอยู่นั้นมีแต่ความทุกข์แต่เึรแล้วสิ่งที่เข้าหาเขาแสวงหาเขาพยายามกอดรัดมันไว้แต่แล้วก็พัดท่ากัมันไปหมดสิ้นเข้ามาจากความว่างเปล่าเขาก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างเปล่ากั้งไปทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ไปค้จากความจริงอันนี้มาจากความว่างเปล่าเราก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างเปล่า นองพิจารณาอย่างนี้เข้าไปถึงความเป็นจริงอย่างเนี้ยค่อยๆลำดับเหตุการณ์เข้าไปลาดับเหตุการณ์เข้าไปทั้งตัวเราณคนอื่นตั้งแต่เราเกิดมาเรามีสภาพเป็นอย่างนี้หรือว่าเราเกิดมาอยู่ในคันตั้งแต่กรเปิ่มกับไข่ผสมกันแล้วค่อยๆกินหยดเลือดแล้วจากหยดเลือดแม่กับตินสับพืชสับสัตว์ตินสับไต่ไตเข้าไปในท้องแล้วมันก็น้ําเลือดน้าเหลืองมันก็ผ่านผ่านทางสายลกเข้าไปอย่างี้ ไอ้สเปิร์กับไข่ที่ผสมกับเลือดเนี่ยแหละแล้วแม่ก็หายใจเอาอากาศเข้าไปด้วยเอาเอาธาตุลนธาตุไฟเข้าไปด้วยแล้วก็กินสับคือซับตัด ท, ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้ลูกได้อยูน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองจากสัสบตบเหล่านั้นไอ้ร่างกายที่เราฟองมามันหาใช่ตัวเราไม่เราลองน้อมพิจาราให้ดีๆว่าตัวเราโตขึ้นมาแล้วเราเกิดมาเราเห่อมาแล้วมาลอยตุ๊ก ต่างรูปร่างเป็นแบบนี้เลยต่อหน้าเราอย่างนี้ด้วยไรหรือเราคือใครกันแน่เราระคือใครและใครคือเราเราหาตัวเราให้พบว่าเราคือใครหรือใครคือเราเราคือตัวเราที่นั่งนั่งต่อหน้าเราอยู่อย่างนี้หรือเราคือใครและวตัวเราที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมาอย right? ่างไรเราลูกน้องดูสิมันมาจากสะเปิม ของพ่อกับไข่ของแม่ไม่ใช่เหรอแล้วเสร็จแล้วก็อค่อยๆไปเกิดเลือดขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาจากอะไรก็าจากที่แม่กินธาตุลมกินธาตุไฟกินธาตุเพื่อสัตวสัตวสัวินธาตุน้าําแล้วเราก็ดูความน้นำเลือดนนะ้เลือดน้ำเข้าไป ทำให้เกิดเลือดแตมันพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นแล้วโตมาทุกวันเนี่ยเราเลิกกินไม่ได้เราก็ยังกินซากคือซากอยู่ทุกวนันเรากินของตายนะ เ, เอามาเอามาโปะ ร, ร่างล้วเนี่ยไม่กินก็ตายแล้วแล้วที่กินทุกวันเนี่ยแล้วนี่มันท่าศักด์มันพูดได้ที่เรากินมาทุกวนัน มันพูดต่างมันจะบอกว่าเอาของกูขึ้นมาของกูทั้งนั้นนี่ที่อยู่ในที่เป็นตัวมันี่ของกูทั้งนั้นเลยเรากินต่างตรงอัวควายเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเป็ดไ ก, ดไก่นกปลากุ้งหอยปูปลาอุสลภัททุกวันมากมายทุกชีวิตลายชีวิตกระเพือกหม้อในร่างกายเนี้ยให้มันยังยำตรงจะได้แต่ตัวเราหาใช้ตัวเราตรงนี้ไป ตัวล่มันคือวิญญาณซึ่งเป็นสภาพเป็นความว่างแต่สามารถรู้รู้ได้เป็นความว่างที่รู้ได้เป็นความว่างม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างเป็นความนิ่งเป็ตัวตนแต่รู้ได้แล้วมาผสมสกับเนี่ยในก้อนเลือดที่อยู่ในท้องแม่แล้วพอมันมาผสมเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยคนนาำมากันขึ้นมา แต่พอเราขอดออกมาเราก็มันคิดไอตัวเราที่ขอดออกมาที่มันมีตัวเราเที่มันนั่งอยู่เนี่ที่เป็นกายเงื่อนเนี่ยที่มีความรู้สึกตะกิ้อารมณ์ที่เป็นนามขันเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราเราลืมไปเลยว่าเราคือวิญญาณที่ลอยมาแล้วมาผสมกับภาพบินน้ำลมไฟที่เป็นก้อนเลือดเป็นหยดเลือดที่มาจากต้นข้าเหนือมาจากตะเกีกับไข่เราลืมไปเลยและเมื่อวิญญาณ คือเรานี่ยเนี่หรือตัวเราแต่ตัวเราไม่ได้เป็นตัวเราหปัญญาเนี่ยคือคือความคือรู้แต่มันเป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวตนมันรู้ได้อนั้นน่ยคือเรามาเข้าผสมกับธาตุน้ำน้ำลมไฟหรือธาตุพืชธาตสัตว์ที่มันเป็นที่ผสมกับในเดือดเลือก่อนแล้วผสมเป็นก็เกิดเป็นความรู้สึกในื่อกี้อารมณ์ขึ้นมาแต่เราออกมาแล้วเราเอาเยื่อทไปไอตัวที่ออกมาเนี่ยรูปร่างแบบเนี้ยนี่คือตัวเราและไอตัวการที่มีความรู้สึกเม่อกี้อารนี่คือตัวเรานี่คือตัวตน แต่เราลืมไปเลยว่าเราคือใครตั้งแต่แรกเดิมเมื่อประสมแล้วก็เราคือใครใครคือเราต้องลืมไปเลยว่าเราคือธาตุห้ า, าหรือธาตุาที่ไม่มีตนตนมีแต่ความลู้แล้วเสร็จแล้วไอ้เที่ร่างกายในใเนี่ยคิดถึงใจเนี่แล้วก็ความรู้สึกใ น, นคิดอารมณ์มันก็ดับลงเพราะว่ามันของที่มาสร้างของแตก่อกไปโลกนี้มันก็ดับไปเรียกว่ารูปประการและนามประกาก็ดับไป แต่ไอ้ธาบรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนธาบรู้หรือยาลาธาแต่มันไม่มีตัวตนมันเป็นความไม่มีตัวตนมันมีความลักษณะก็เหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติในจักรวาลนี้แต่มันรู้ได้มันมีตัวตนมันและไม่เกิดไม่ตายมันก็เลยความที่เราจะไม่เข้าใจแล้วไปยึดเอาไอ้ร่างกายที่เราสร้างมาทุกชาติทุกชาติเนี่ยเป็นตัวเราแล้วมันไปเปลี่ยนร่างอยูในร่างใหม่ต่อไปเช่นบางชาติก็ไปเป็นสัติเพราะเป็นสัติเช่นไปเกิดเป็นนก หรือไปเป็นพวกสตีประเทศต่างๆสตีมันมาจากกระวการผสมกันของเชือ้อตัวผู้กับตัวเมียเสร็จรแล้วมันก็เป็นแค่จยดเลือดแล้วค่อยๆพองขึ้นจากตัวเมียที่มันกินสารอาหารเข้าไปแต่เราเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นความที่มีตัวตนแต่รู้ได้รับเพียงแต่ได้แต่รับรู้มาเข้าผสมกับเดยดเลือด น, นั้นสารอาหารนะั้น แล้วก็ผ่องออกมาเป็นสัตว์ปีกที่มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์ได้แล้วเราก็ยึดเอาสัตว์ปีกคือนกที่เราเกิดมาในชาตินั้นว่านี่คือตัวกูตัวนกที่มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์ในชาตินั้นนี่คือตัวกูนี่คือตัวตนของกูเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราคือใครที่อยู่ในนกนั้นนแล้วไข่คือเราเราไม่เคยตายเลยเพราะเราไม่ไคยเกิดเพราะเราไม่มีตัวตนเรามีสภาพเป็นแค่แค่รู้ได้แต่นั้นเอง แต่ตัวเราไม่มีเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายเมื่อเราจะไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ต้องไปถ่ายเป็นอยู่ในร่างมนีกเราเป็นมาแล้วจากเอกสารท่างหลายในโลกนี้เกิดทุกอย่างนี้แม้จะเป็นนอนเราเคยเป็นเป็นมาหมดแล้วแม้ว่าเราไปเกิดเป็นนอนแต่เราก็ยึดตัวนอนที่เกิดมาเนี่นคือตัวเราจะมีนิทานเรื่องว่าเพื่อนมาเกิดเป็นนอน แต่เพื่อนอีกคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เกิดเป็นเทวดาชั้นสูงในสวรรค์เห็นเพื่อนเป็นหนอนก็เลยสงสารก็เลยมาบอกกับเพื่อนเราเมื่อก่อนนะเนั่นเคยเพื่อนกับเป็นเป็นเพื่อนกับเราถ้าเพื่อนอยากไปเป็นเทวดากับเราขอให้เพื่อนเนี่ยต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีๆจงรักษาชีวให้ดีๆปฏิบัติให้ดีๆเพื่อนก็เลยถามว่าเพื่อเป็นเทวดา น, นี่ก็ไปอยู่อย่างไรสบายไหม บอกว่าเราก็ายมากเลยเพราะว่าเราจะไปกินในอะไรใหญ่ได้แล้วแล้ก็เนรมิตอธิษฐานมาก็ได้มาแต่นอนเนี่ยที่อยู่ในท่อมเนี่ยก็บอกว่าเราสบายกับเพื่อนเพราะเราไม่ต้องเนรมิตเพื่อนอย่างบางๆต้องเนรมิตแต่ถึงเวลาเราก็มีคนมาถ่ายให้มีถาดให้คนมาถ่ายยอดอาหารให้กินอย่างอาหากินตลอดเวลาเราสบายกับเพื่อนเราไม่ไปดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าความยึดในร่างของสังขารแต่ละร่าง ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดสภาพเป็นเราของตัวเราด้วยคือยึดคนที่เราอยู่ข้ามเคียงด้วยเป็สภาพเป็นเราเราทั้งหมดเราก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติตายแล้วแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเกิดสภาพไปแต่เราจะไม่เคยรู้ได้ในเพรชาติเปลี่ยน ว, ว่าเราคือไทยไทยคือเราที่แท้จริงจนกว่าเราจะเข้าใจในใจของเราจริงๆและเราเป็นเป็นเดียวกับสิ่งนั้นจริง คือธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลไม่มีการเกิดดับตลอดกาลดังนั้นเราจะพ้นจากทุกพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดทันทีถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ยังต้องไปอย่างนี้เลยดังนั้นที่เราพิจารณาแต่ว่าเราอักนะผิวพรรณเราแแต่กมันไม่เที่ยงถ้าเราเธี่คิดประจําวันเราก็ไม่ได้ิดพิจารณา คือว่าสังขารเราเป็นส่วนประกบแค่นะี้เราใช้ชีวิตอยู่วันวันเราไม่ได้พิจารณาเราไม่สามารถค้นพบได้ว่าเราที่แท้จริงคือใครและใครที่แท้จริงคือเราเหมือนกันเราหาตัวเราที่แท้จริงให้เจอสนะักก่อนที่เราจะตายเราจะได้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราที่แท้จริงนะั้นคือธรรมชาติที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลไม่มีการเกิดไม่มีการตัย มีแต่รู้มีแต่รู้ที่ไม่มีต้นเป็นอภิธรรมดังที่พระเจ้าตกับอาณ์ญาเมื่อพุทธเจ้าดับการปณิ่านแล้วมีการเขาสติัะทุตตะโองเรียกบร้อยแล้วนอาณาจักรเบญไปที่ชายหาไม่มีเสียง ราเบิดเกิดในใจบอกพระอรหันต์ว่าเราไม่ได้ตายเพราะเราไม่เคยเกิดเราจึงไม่ตายเราหายตัวไปเป็นเลนเดียวกับธาตุในธรรมธาตว่าในธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการตายไม่มีกริยาการใดๆไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการเคลื่อนไปวใดๆ เราอยู่ในทุกที่นะอนุเราอยู่ในน้ำเราอยู่ในอากาศเราอยู่ในเสงแดดเราอยู่ในลมที่พัดโดนตัวเจ้าด้วยเราอยู่ในเม็ดทรายที่เจ้าเดินด้วยเราอยู่ในกาของเจ้าเราอยู่ในใจของเจ้าเราอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถือน้วยเราอยู่ในทุกที่ถ้าไม่ได้เกิดเนะ่เราก็ไม่ได้ตายเราทุกคน มีธาตุนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นปุกเป็นปุถุชนเป็นสามเรชาติหรือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์ล้วนมีธาตรู้เนี่ยโดยวิญญาณธาตุอยู่ในตัวเราทุกคนซึ่งเป็นธาตุที่ไม่เนไม่ป ร, กกรากฏกายอาการ ไ, ได้ไม่มีดวงไม่มีตนไม่มีรูปพันธสัมพนธ์ด้เปรียบได้เป็นความว่างควาของจักรวาลไม่มีขอบไม่มีดวงไม่มีรูปร่าง ไม่มีแสงสว่างไม่มีมืดมีแต่รู้มีสภาพไปแต่รู้มีอยู่ในทุกคนมีอยู่ในสรรกระดาษมีในตัวชนมีอเจ้ามีอยู่ในร้านตามการจบลูกเจ้ากับพระราษท่านคยพบแล้วว่าท่านคือใครเราคือใครใครคือเราที่แท้เราคงไม่ใช่ตัวเราที่มีรูปร่างแบบนี้ ที่มานั่งฟังวันนี้และเราคงไม่ใช่กายเนื้อที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์อย่างนี้เพราะเมื่อกายเนื้อนี่แตกดับหรือความรู้สึกมีคิดอารมณ์ดับตงกายเนื้อนี่จะแตกดับนี่จะเปลี่ยนร่างใหม่ไทยไปอยู่ในร่างใหม่แล้วแต่ว่ากรรมที่เราทำไว้จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นร่างอะไรเราก็ไปมีความจำความรู้สึกมีคิดอารมณ์อย่างใหม่ใหม่ในร่างใหม่จําแม่ตัวใหม่ จำพ่อตัวใหม่จำร่างกายเราแบบตัวแบบใหม่มีครอบครัวจำตัวใหม่มีลูกมีหลานจำตัวใหม่จำสังคมที่เราอยู่จำใหม่ใหม่แต่เมื่อไรยังค้นหาตัวเราไม่เจอเราไปเอาตัวที่เกิดใหม่ที่ปรุงแต่งใหม่เป็นตัวเราเราก็ยังต้องเปลี่ยนร่างถายล่างไปอยู่ในร่างอย่างเอื่อนเรื่อนไปมีความทุกข์ กับล่างใหม่ๆเดินไปไม่จบสิ่นจนกว่าเราจะค้นพบตัวเองว่าเราคือใครใครคือเราแต่แน่แต่เราคงไม่ใช่ร่างกายที่เปลี่ยนไปที่เปลีนความรู้สึกและกิจอารมณ์นั้นในทุกชาติเราคือธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายคือเรียบไฟตาชาวบ้านเรียว่าวิญญาณมีแต่รู้รู้ที่ไม่มี ไม่มีการเกิดไม่มีการดับเป็นอมตะไม่ที่ไม่มีตัวตนแต่จะรู้ที่ม่มีตัวไม่มีตัวหมตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติจักรวาลเรียกว่าเป็นอมตะแต่ไม่ใช่ว่ามีตัวตนตั้งติดไม่มีการเกิดไม่มีการตายตลอดกาลแม้ดีจะพ้นกับทุกได้พ้นจะกการแยกตายเกิดอะไรเราเป็นคนโสดนี่ เราทำแต่ไปใช้ความคิดแค่นั้นเน่ยมันไม่ทันกันหรอกเดี๋ยวกระตายซะ ก, ก่อนก็เปลี่ยนฐานร่างไปพอเราเปลี่ยนฐานร่างไปอยู่ในร่างอื่นๆที่ไม่ใช่ร่างคนเราก็หมดสิทธิ์จะคิดมาฟังทําเข้าใจเข้าใจถึงตัว ต, วตนที่แท้จริงของเราได้เราไม่สามารถจะคนตัวตนค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราเจอได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหมดโอกาสซะก่อนเราจะ ควพบตัวตนของเราที่แท้จริงคือความไม่เห็นตัวตนนั่นแหละนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเราก็ได้ปัญญาในล่างมนุษย์นี่แหละปัญญาที่มีคุบาอาจารย์ชี่แนะอยู่ในขณะนี้น่แหละปัญญาที่เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะนี้เนี่แหละปัญญานี่เนี่เราจึงจะควรพบตัวตนของเราได้ค้นพบตัวตนของเราได้ก็คือค้นพบว่าแท้จริงเราไม่